อยากได้ลูกได้เขาได้ค้องได้เงินได้ทองไม่เลยบนนี้เวลาพ่อความอยากคงคนความอยากคนจังละก่อให้เกิดทุกข์นัดมือหยุ่งมือยากมือลำบากลำข้ามเนี่ยเดินไปหลายนัดมือหยุ่งมุ่งมากขึ้นหากรายเป็นไพร่ปลูกใปมาอย่ามันหากว่าบัท่านหลายก่อมันหน่อยมันก็หากว่าหลายเป็นก่อมันใหญ่เท่าไรก็หากมันหลายเท่านั้นเมื่อวานังจะคนธรรมดาจิไปถอนเอาสร้างมาถอนมันก็ถอนโมขึ้น พอหากมันหนามันเหนีนนี่เลาวก็ปลูกวัชพืชเชี่ยงเกศหมู่มันเต้นไปต่ํามันกับพังได้พอหากมันยังบ้านฝังแน่นอันใดนี่จิตใจของเฮาก็ท่ำนองเดียวกันเรื่องจิเลียตัญหามันหนาแน่นขึ้นมาทุกวันทุกเวล่ะอยากไปวลาไปลาอยากออกบวชประพฤติปฏิบัติอยากฝึกหัดจิตใจมันกัห่วงอันนั้นห่วงอันนี้สิท่าอันใดไปทางดีไม่แต่เจ้าห่วงแต่เรื่อง ความอยากโค้งโหลกคงช่องศาลมันบริจิตต์เดาอ่านว่าการได้ล่ามันจินซีวิตมันถิมอดไปวันไดตายไปวันไดมันบริจิตต์เดาอ่านเสียนี่แต่ใจสิเอามันเอามันอยู่อย่างนั่นนี่จิตใจเขาปวกเข้าทานมันเป็นท่านองนั้นมันอยากไปในช่างบ่าช่างบอกรูทุกกออยากเห็นแจเจ้าของได้ว่ามีโอกาสได้ล่าสิจําสีนภาวน่าสีสํายจิตใจพอมันหยุ่ง จะยังบอท่านมีลูกมีเมียก็จยาได้ลูกได้เมียมีลูกมีผัวมีเมียมาแล้วท่นจยาได้ลูกมีลูกผลฆ่าลูกมีง่วมีควายมีเข่ามีของมีเงินมีท่องคลองกับฆ่ากับจิตอยู่ในสิ่งนั่นน่ะได้ว่มีโอกาสได้ละสีสัมฤทธิ์ใจของตัวถ้าท่านสีจริงแล้วนั่นเขากับบุเคยหวงแหนเฮาเฮาหามาได้มันสีดีอกดีใจสีบ่ไปบนได้ละสิยูก็เจ้าตลอดไปมันก็บอกว่า เฮ้าปียิ่ดีน้ามันมันกระบอยินดีน้ำเฮาเฮ้ากรบอยินดีน้ามันมันกระบอเสียใจให้เฮ้าของเถ้าไปนั่นของนอกของในกายของเฮ้ากับถ้ำน่องเดียวกันเหงื่อนังเอ็นกระดูกมันบ่าเดียว่าเป็นของของเฮ้านี่เข้าไปสมมุิหม่นหมายเอามันไปยึดหมันคือมันในมันหัวงมันว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นบ่าอยากให้มันเป็นอย่างนี่เพราะมัน เป็นสิ่งผีบอดีบว่างามเขาสี่ห้าบวตองสารเขาฟอเงินท่องเกี่ยวเลีนเท็ดพ่อยก็ขายมากรักษาเพื่อให้มันหายใจมันกับบวมีท่าเพราะเกิดมาแล้วอยวต้องมีตายเป็นขู่กันพระพุทธเจ้าเป็นวาอย่างนั่นแล้วห้าก็เห็นกันทั่วโลกผู้ได้เกิดคือมาแล้วบวตายบวมีบวา่าจางเจ้ของผีมีชีวิตของผี่บว มีชีวิตมีวิญญาณสังคุฎมาท่าคุณมายังรถยางเปลี่ยนมันก็ยังพังถึงวันถึงเวลาของมันมันบอยู่ตลอดไปดอกจรใดที่มีการตั้งขึ้นเกิดขึ้นจรเงินต่อมีการแตกปวนและแตกสลายนี่ถ้รรมามาด่าพวกมันเป็นอยู่ยางนั่นแย่ใจเขาปลวกเราถ่านมันบ่เห็นตามเป็นจริงมันจึงหงงจึงหวงไว้ยึดอันนั้นถืออันนี้ ได้เกิดทุกพวายเจ้าของหาเรื่องผูกมัดเจ้าของบอมีสตินีปัญญาที่จะแก้ไขความคิดของใจถึงเรียกวา่ากิเลสตัญหาออกไปได้ใช้แจ๊ต้องอันใดก็ บ, บ่ได้พอถึงพอห่วงแต่บดท่านมีลูกมีผัวมีเมียเขาสิไปยังไดเบาก็พูดได้หาก็อบว่ถึงบอห่วงเพร ห้าถือว่าเป็นลูกของห้าวเมียของห้าวเลให้ไปแจ๊บไปต้องกับบัวได้เกิดทุกข์ขึ้นให้น่าลังแจ๊บห้าวบัวแจับบ่วจองว่าเป็นคลองของห้าวเขาสิไปเอาบ่นหันบน่อนี่ท่าหัวท่าสวนห้ากับบัวโกรธบัแข็งให้เขาห้าวจับจองว่าเป็นคองของห้าเท่านั้นนั่นจะเกิดทุกข์ขึ้นนี่ทุกข์เพราะความจับจองเพราะความยึดถือเหตุจางไหนมันจ๊บสีละสี่ว่างซ่ามจับจองออกไปได้ ต้องอาศัยการพิ่จะได้หน้าถ้ำแต่การพีจะได้หน้าถ้สิให้เขาใจชัดเจนประจักษ์ได้แต่พื่ออาศัยความสงบท้องใจถ้าบ่ามีความสงบเพื่อจะคิดลอยๆไปแล้วบ่มีวันมีเวลาสีเห็นประจักษ์ชัดเจนในตาใ น, ในใจได้ถอนกิเลสบ่ออกบ่ตกให้ฉะนั้นเพื่นจึงให้ปฏิบัติเบลืองสนให้ปฏิบัติ จิตใจให้สงบพอจิตใจพองเหาโดยส่วนใหญ่มันบ่มีวันสงบนี่แต่คิดแต่ปุ่งแต่ยุ่งแต่เกี่ยวกับอารมณ์สัญญาอยู่อย่างนั่นใจมันบ่สงบก็คือกันครับน้ามันบ่สงบเฮาม้งเง้าหน้ามันบ่มชัดเจนไหหรือเฮาไปในหยดในญ่านมันบ่สงบมันบ่มิงเฮาเบิ่งโชนใหม่มันก็ะไลกันไปตัวขมันไปไหว มันนับบัไดลว่าต่วนอันไหต่ออันไหนแง้มนําบัท่านขันมันไปไหวขันมันใส่งบเขานั่งนิ่งอยู่หรือน้ำนิ่งเข้ากับมองเง้าหนาเข้าถนัดชัดเจนเป็นผิวเป็นไยที่ใดเข้าก็เห็นชัดแจ้งพอหน้ามันนิ่งมันพอมองเห็นได้นี่จิตใจนิ่งแต่ถ้านองเดียวกันควรจะฝึกให้มันนิ่ง โดยการบริกรรมโดยการกำหนดล้มโดยการเพ่งจริงหนึ่งจงิิงใดแล้วจะอัธยาศัยของคนคนนั้นที่กระท่ำบ่มเช่นโวยสติปัญญาของตัวท่านจนให้มันนิ่งได้เป็นบริกรรมพุท้อพุดท้อจนจิตเป็นพุดท้อจนพุดท้อเป็จนจิตแล้วส ง, งบร่วมลงไปบดิยจก่กะเชียวรับจริงใดแม้แต่แจากลาย ถึงเคยยึดเคยถือยึดร่วมเหล่ามันบริเกี่ยวกับเรื่องค้องลูกคล้องหน้าอันนี้นี่แต่จะทำรููอยู่อย่างนั่นเป็นเอกราชตาล้มแต่มันร่วมลงถึงที่สุดของมันบริเกียววา่าวันเวลาผ่านไปเท่าไหรความทุกความทุกในเรื่องของโลกคล้องสมุดบริเกี่ยวของเหตุนั่นผู้เป็น เขานีลรงสมาบัติเพิ่งยังอยู่ในสังเกตว่านเจ็ขึ้นบวเก็บบวปวดบวชเน็ตบวเหนื่อยบ่ชเมื่อยบวหิวบ่ชอยากอันนั้นอยากอันนี้บวขี่บวเหนียวนี่คือจิตร่วมร่วมเป็นเอกขัตตาเป็นหนึ่งถ้ายู่ได้หน้านั่นเลยถือว่าเป็นนิโรธสมาบัติมันรวมลงถึงความละเอียดของมันมันบวชได้ถือว่าเพราะนั่น หน้าที่โซนีโซม่วงโทนี้มื่นโทนันวั่นระยะถิ่นอยู่นั่นเหมือนกันครับมันบ่ได้ขาดการเลยว่ามันอยู่ได้ขนาดใดใจก็เข้าขันลงเป็นนึงกับท่า น, น้องเดียวกันมันบ่ได้ขาดฝันวั่นเวลาที่นพานไปความเหนื่อยเมื่อหิวมันโมมี <c oughs> นอกจากมันถอนขึ้นมาใจาสี่มาํานึ่งคานวนว่าเรานั่งโทนันหน้าที่เทนีโซม่วงหรือโทนันวัน่นโทนี้ น, นี่เพิ่งถอนขึ้นจากความร่วมของเพ่นไหนซอว่าเพลนออกจากนิโรธสมาบัติหมายถึงภูเขานิโรธพาเรียเจ้าของเพลนนี่เฮาธรรมดายิดร่วมกับท่า น, น้องเดียวกัน <c oughs> มันร่วมวงได้ย่างนั้นจิตมันมีกำลังทีใจ้น่าสิงต่างๆผู้งหเห็นชัดเจนไปจับละสิงจีควนละได้ถอนสิงจีควนถอนได้ จิตใจเกิดปัญญา ม, มันมันเป็นสัญญามันเป็นปัญญาตัดขาดขาดสั้นกิเลสตัวใดทียังของจิตจิตฟุงอยู่ด้วยอํานาจสติด้วยอำนาจาปัญญากําลังของสมาธิหนุนหลังให้สามารถขับไล่ความโง่ใสต่างๆที่มีในจิตในใจให้หมดไปไปจักชัดเจนเขี่ยงตั้งเจ ความสงบของจิตเท่านั้กระเสือมันดอกว่าโลกอันนี้ผู้ที่มีเงินแสนเงินล้านเขาสีเห็นสิเป็นบอย่างนี่หรือห่างเห็นกันแจ๊กเรื่องความสุขน้ำด่านวัตถุความสุขแบบสัตเขาสุขกันเท่านั้นห้องบอยเห็นมีเงินเท่าไรแสนล้านก็นตามมันบอมีบอ่อนใดที่จะจ้างรู้ได้สมบัติของโลกบอมีทางที่จะเข้าไป ถึงความสงบสุขย่างนั่นนี่มันกะเออเกิดอัศจรรย์ผู้ที่เห็นที่เป็นมันเย็นมันสงบมันอัศจรรย์ดูหนังตั้งแพ่งลุ่มหลงกับกามคุณต่างๆใคล้ยลุ่มหยงมากความสุขควนั่นกับความสุขที่เราเป็นเราเห็นอยู่นี่มันกะเจ็บกันไถ่ว่ามันไกลกันคนแล้วฝ่าเขับดินมันบดรอยู่ไกลกันเลยเมื่อมันเห็น คของดีชัดเจนประจักษ์ในใจมันเป็นอยังสิบว่เหลื่อมใส่บ่อยินดีอยากประพฤติปฏิบัตินี่ผู้ตีเห็นที่เปลี่ยนที่เย็นที่ส ง, งบอย่างนั้นเพื่อนจะตั้งหมันอยู่ดได้ไพ่ตีดูมินีนนิ่งท่าว า, าสานาคือมดมากมดผลก็ว่าไปจนปากมันสีพุ่งงอนผลเลยเพื่นก็ บ, บอาอัศจริย์พอเ พ, พื่นเห็นเพื่อนเปลียนอยู่ในเพื่อน เสื่อมหมันคำาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอาการลิโกวมีการมีสมัยตั้งใจไปขึ้นปฏิบัติละทอนจีริศพ้นที่ดีวิเศษมันจะเกิดกินให้ประจักไม่ใจถึงสีบอมีใบประกาศนิยบัตรติดตัว ก, กว่อสามก็รูก็เข้าใจไชสิตอนนี้นินท่าว่างงเงาเตาตุ้มขนาดใดแต่เป็นเหลืองลบปากของเขา แต่เพิ่นนั่นรู้จักชัดเจนเห็นโทษเห็นถุกในการเรียนไหา้ตายเกิดในการยึดการถือนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามอา ร, ร์ตถ้ำสีพระพุทธเจ้าสอนรู้แจ้งแท่งตลอดในตัวของเพิ่นม่เมีสิ่งใดที่จะสงสัยในพบในชาติในการละกาบนบาเพ็ญอดีตอนาคต บม่มีพอปัจิบันมันบ่มีเรื่องจีดจิตันหาปัจจุบันส ง, งบระงับดับมดเรื่องผิดพลของจิตของใจที่เคยก็อขวนกันวนงวลเห็นความพ้ทุกไปจักอยู่ทุกการทุกเวลาบัาวว่าเขาบาว่าออกบัาวว่าจินวานอนบ่นางวายืน ไปจักอยู่ย่างนั่นตายไปเมื่อดไดกับบมีการเสียใจว่าสิไปก็พบก็ชาติเกิดทุกเกิดโทษอีกย่งางอยู่กับบมีบนได้ที่จะควนละควนถอนออกไปเพราะใจบริสุทธิ์เห็นอ น, นิสงส์ในปัจจุบันอย่างนั่นไปจักอยู่อยู่ในถ่านในขันกบคือกันกับอยู่ในคุกในตาล่างทุกโทษ เพราะเรื่องท้องถาดท้องขันมันเป็นก้อนของทุกข์คนหูคนเ้าใจเันจยงว่าพ้าราหาวิเปนจากขั้นท่าหลูปเวทนาสัญญาสังขารนิย่า น, นญญาคือขันทั้งหาเป็นผ้าราหนักหาซิตใจยั่งอยู่ในถาดในขันมันตองเดี๋ยวดูแลรักษาในแบกใ้หามาระอันนี้เมื่อพดเรื่องออกจากถาดจากขันคือตายไป ความบริสุทธิ์อันนั่นนั่นบริรับฆาละอันใดเป็นความบริสุทธิ์โดยเฉพาะมดฆาละกับถาดกับขันจบเป็นความบริสุทธิ์ที่ บ, บ, บม่มีสิ่งใดมายุ่งเกี่ยวอีกถ้าถึงความบริสุทธิ์แล้วไปกับบัวมากับบัวอยู่กับว่า คือจิตมันเป็นมีหมดอยากไปในภานมันก็บอกว่าอยากไปอยากเป็นพระอาหารมันก็บอว่าอยากเป็นมันหมดทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างบริสุทธิ์สะอาดนี่คือจิตของผูป้ปฏิบัติหรือเห็นเด่นชัดคนที่บ่โบกผู้ปฏิบัติมันจะดูมีนินท่าว่าไปขนาดใดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องจีตมัน กวนจะตักเตือนบอกกล่าวได้แต่ตักเตือนไปเพราะหัวเขาจะเป็นโทษเป็นไข่ในการตำนี้ผู้ที่ดีที่ชอบอริยุบ ป, ประวัติการดูมินินท่าว่ากล่าวพระอริยเจ้าเป็นบาปกำหนัเหมืนบอกว่ายางนั่น แต่เขาโบก่ัวจ้าต่อพระริยาเจ้าเป็นอย่างไถ่เพราะว่าริยาเจ้ามันก็คือการทับเข้าธรรมดาบ่มีอันใดบ่มีเขามีหางนีเขามีหางก็สิบ่างวัววาคว่ายเชียึดต่างหากี่เป็นความบริสุทธิ์บ่เม็นกายอันหนีบริสุทธิ์กายอันหนีโรคไข้ไข้เจ็บห่อนหนาวมียางได มันจะเป็นธรรมดาครับคนในโลกมัมีจิตแตกแตกต่างกันใจคิดนั่นจิตแตกแตกต่างกันหลายเมื่ออาศัยการฝึกการอบรมเกี่ยวกัการฝึกการอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญบกวรมองขามอย่าไปทอววามาฝนนิพานหมดการหมดสมัยจิตเป็นของถี่บ่สำคัญ อย่าไปคิดยางนั่นจิดสำคัญมากคนสิเป็นบากับพ่อจิตเนี่ยคนสิเป็นโิมเป็นม่านคุพ่อจิตเนี่ยคนสิเป็นบัณฑิตนักต่าคุพ่อจิตคนสิหุ่นไหวกับพ่อจิตค น, น, คนสิสงบเย็นกับพ่อจิตมีคุณขาาลาสูงยิ่งกว่ากายหลายพันเท่าแต่ห้ามองขามอาหารของจิต คืออาจทำถี่นำมากป่อนจิตเพื่อให้จิตได้รับความลมเย็นเป็นทุกขนั่นห่อยว่านพันมือสวบค่อยคิดกันจะอาหารท้องกายถา ม, มือถาม่านไปบ่ได้มีใจจะหามาให้อยากให้มันสงบให้มันทุกขให้มันสบายแล้วมีผู้ใดได้สมหวังในโลกอันนี้มันโบมี่ มันคงเห็นคงว่าอยู่ได้มียาดีเท่าใดมันจะแจ้ไทยบอลข้างหรอกอริยสัจคือความจริงถ้าแจะอริยสัจได้ถ้าพูดใหเจ้าก็พูดผิดเท่านั้นไทยอริยสัจมาเป็นของจริงมีกฎหมายบานใดเมืองใดประเทศใดเขาบังคับบัญชาให้ถือศาสนาบอมี่เด้เฮาเกิดมาเฮาอยากเรี่ยมไส อเหยียบใสได้เขาว่าอยากเหยียมไสา่าดก้นไม้กับว่าบังคับเข้าอยากบวชก้นไม้กับว่าหามไหวเข้าอยากซก้นไม้กับว่าหามอีกือไก่ บ, บ่ับไมอันใดผู้ที่เพิ่พอยู่ได้ในศาสนาเพิ่งเห็นอาจเพิ่งทาในจิตในใจของเพินพ่นเพิ่งบะอา จ, จะจัดเรื่องของโลกเขาเป็นอย่างใดเขาเขพื่อเขาเพิ่งเขาลุมเขาหลงอย่างใดแทนที่เพิ่นถี่ไปหลุมไปหลง คือเขานั่นเป็นไปเ่ราะไรเพราะจิตใจของเคนเป็นอาจเป็นท่ำแต่หนั้นเทาอย่างมีความสุขอย่างสีวิ่งนำ้ำแต่เจ่เองกายวิ่งน้ำแต่เจ่เองวัตถุให้ปฏิบัติใจของตัวใย้ยามทํานคิตทําใจแห่สงบพินิจพิจารณ์ตัดจะมม่ท่ำคือทุกสมุทัยที่นี่อยู่ใน ใจในใจค้องเฮาให้เห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วที่เกิดนิโรธท่ามดับทุกตนิกจึงประจำจิตของตัวเมื่อทราบเรื่องนิโรธในจิตในใจแจ่มใสชัดเจนแล้วโอ๊ยที่มาหมอบอันใดหายโลกอั น, น สิมันสิไปลุ่มหลงไปอยากได้ลืมอดลืมทำ่ทิรู้แจง้งเห็นจริงในใจมันเป็นไปบ่ได้เพราะคุณค่าของธรรมมันมีคุณค่าสาระสูงยิ่งกว่าเรื่องท้องโลกมากมการปฏิบัติตามลักษศาสนาคือการปฏิบัติกายว่าายใจท่องตัวละช่วบบำเพ็ญดี บ่ได้ไปศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหลดอกพะจีเล็ตมันมีอยูหนหน่ในนี้ในกายในใจนีการละจีเล็ตตั้งสติปัญญาศินสำลัที่เจ น, น่าเสือความสงบของใจเพื่อแก้ไขความคิดของมันจังบ่ได้ไปเลี่ยนที่อื่นเรี่ยนที่ ตัวข้องตัวเท่านั้นไม่รู้ตัวข้องตัวเถ่วถึงเป็นโลกกะวิธูกู้แจ้งทั่วโลกเพราะก้นจิตคองจิตคองอันใดหูจักค้นจีก้ น, นจากความจิตคองเป็นยางใดหูจกักพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ยางใดหูจูจักเพราะตัวของเทาเข่าถึงพุทธะเือผููรู้ อยู่กับเป็นทุกขคาโตไปก็เป็นสุขคาโต้พอโลกกับวิถูกความรู้แจ้งโลก ม, มืมีหลงโลกโลกก็คือสมุเขาว่าดีว่ายชั่วมีโยมเช่อมชอบอันใดเป็นเรื่องของโลงกคูณจักเรื่องคุณมารู้เรื่องของโลกที่วจิตของกับเรื่องของโลกก็รู้จักอีกมันจะมือมีทางสงสยัยมืมีทางจิตจแก้ไข ปับปรุงพอถึงความบริสุทธิ์นี่เชื่ออา น, นิสงค์ของการประพืชปฏิบัติผู้ที่ดูชาติเห็นแจ้งมีคุณข่าสาราสูงจะเป็นคนบันนอกบันหน้าบันฟ้าบันดงบ่เคยศึกษาเหล่าเลียนนี่ความรู้ทังโลกกว่าตามถ้าเพื่อนเหนเ็นเพื่อนเป็นในจิตในใจคนที่ประพืชปฏิบัตินี่ความรู้ถูงมากขนาดใดมาศึกษา ด้านประพฤติปฏิบัติทั้งจิตทา้งใจเพื่อนจะสอนได้พอเพเื่อนเห็นเพื่อนเปลี่ยนในเพื่อนแล้วครูพ่นพ่นโลกทั่วไปกระเลื่อมใสเพราะใจของเพิ่นมันเย็นมันชุกมันสบายคนสีมี่อำน า, าจราชสักใหญ่โตขนาดใดญ่ยางไเจากเพนดินเพื่อนก็นมากาเฝ้าหวัดยางลูกูคงเฮาเพื่อนมีพ่นลูกขนาดใดญ บัท่านนี่อันใดผู้ถีเป็นผูใหญ่ภูโตมีความมีรักแรมส้างโลกมากพอเห็นเขาไปกลาไปไหวเขาไปสักก า, าระบูชาพวกเราเพื่อปฏิบัติตามอาตามถ้ำที่นี่จิตสงบเย็นแล้วมีความสุขอยู่ในโลกก็มีความสุขจากโลกนี้ไปก็มีความสุขอย่าไปคิด ว่าดูในเพจของสมณะท่องนาคบวชเนี่ยที่บมีความสุขมีความสุขมากหาจิตโู้เห็นในอาจในถาา้าหาจิตบ้รู้บ้เห็นในอาจในถา้านี่แต่เจเอาเรื่องโลกมาเจี่เที้ยงนี่แง่เจอยากเรื่องข้องโลกโบมีความสุขจิดคุก ก, กับวัตถุทอการบวชพอจิตคุกไปดูหนังทั้งเพ่งได้ในการบวชเนี่ไปดูหนังทั้งเพ่งยาหนัง เขาดูมีนิ่นท้าคิดจากลักศาสนาขื้นศีลวีนของพระห้องเนี่ยมีน่นาจะี้ตว่าคิดไปแล้วถต่เป็นสินแปดก็ดีมันแจ้งทุกข์เพราะบังคับใจองจบของใจมันบ่อชอบใจมันบ่ ย, ยิ่นดีอยู่ในคุกถึงทุกข่างกายอยากร้องล่ามท่าเพ่งก็ได้ แต่อยู่ในวัดในว่าเป็นพระเป็นเจ้าเช็ดบ่ได้เช็ดไปกะถูกเขาดูหมิ่นดิ้นท่าคิดจากขืนจากท้ามท้องตัวคนทัวไปเขาบ่เหลี่ยมใสสัทวานี่มันทุกข์เพราะยังบังคับบัญชาใจข้องตัวมันเคยชั่วเคยเสียแตมาบังคับให้มันเขากใน ลูกในร้อยคงอัดองทรรมันบังคับยากแ ก, ก่กะบ่เหลือววีไสเขาบังคับด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสัทธาความเพียรจริงจังคิดของเฮาสี่เคยดือ ด, ดึงมืด บ, บอดนาบ้านสิ่สงบละ ง, งับแจ่งสาว่างสินในคิดในใจไม่ต้องไปหาดอกเขาของเงินท่อง สมบัติภัดสถานด่านอื่นงเยี่ยงชีวิตหล่างกายหากประพฤติปฏิบัติในขอบเขตของอัดของทมเจ้าของมีความสุขความสงบค้อทีเขาเหลี่ยมใสเต็มใจในบุญในกุศลก็หามหาให้เองบ่าว่าที่อยู่ที่อาศัยบ่าวว่า่านุง่งถาห้มยาแก่โรคแก่ไข อาหารการครบฉันต่างๆ น, นั่นนะจินบรหลาดโบยไวสมบัติของพระพุทธเจ้านีม่มากหากลูกของพระพุทธเจ้าผมพูดปฏิบัติตามอัต ถ, ถันที่สอนไวสร้างข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโมตงกลัวอวจจนพระนีไห่แดงห่ตายไปปรดีนี่พานไปดันสองพนันหารอยโกฟีเลยลูกคิด ล, ลูกหานี่อยู่ในศาสนา จะง่นมากเท่าไหร่หังจะได้ประเสธให้ก็เป็นแสนแสนถ้าหากผัวพืช ด, ดีปฏิบัติชอบหรอกอย่าไปห่วงผัวพืชถือว่ามีสมบัติหายถ้ามะผัวพืชปฏิบัติมา ก, ก่อนปัญหาหามนีหมดอย่าไปคิดลาบยศดสันล่าเฉินทางนอกมันถือว่ไปอย่าไปคิดหากผัวพืชปฏิบัติเป็นอาจเป็นถ้ำหรอกมันหี้มากเอง ถึงบ่มีมากก็บ่เดือดเนื้อร้อนใจพอใจมีอากมีถ้ำมีความสุขสม่ำเสมอทามโมห้เวลาใครจะถ้ำ ม, มาจารีทํารักษาผู้ประพฤติถ้มผู้ประพฤติปฏิบัติถ้ำเหรอถ้ำบ่รักษ า, เ ป, าเป็นบ่าเป็นบอเดือดร้อนบุญว่าอยู่ในวัดในว่าเราบ่มีความทุกขความสบายเห็น กงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักเห็นเย็นเป็นห่อนเห็นห่อนเป็นเยน็นเห็นทุกเป็นทุกเห็นทุกเป็นทุกไปนี่คือมีชาชีชีมีชาชีชีก็คื อ, ค อ, ค อ, คอกิเลสตัณหาในจิตในใจที่มันพวงไปเดินออกนอกรีดนอกทางของถ้ำมันไม่มีความสุขความสบายให้ นนเพราะสถานเท่าจึงบังคับกายใจของเท่าอายุในขอบเขตของอาจของทมนี่สศริรักษามนีปัญญาเนตสอนมันนึกมันคิดคิดถูกเคย ร, รู้ควรปล่อยปลาละเลยควรํำระสาสางด้วยวิธีใดทังวมรักษากายรักษาใจของตัวให้เป็นที่เหลื่อมใสของตัว สนใจในตัวอย่าสนใจในคนอื่นเมื่อเราสนใจในตัวลายชัวบมเพ่นดีจนเฮ้าวีสีตำมีเฮ้าแล้วอันนี้สงมันเกิดขึ้นดอกมาส่งไปบอกไปประกาศว่เาเล้วดีเราเดินอย่างนั่นยางนี้แกก่อมีบันเปนคนบอดคนมืดถั่วไปพูดสิเขามีหูมีตามีเศรษีปญัญญาเขาชิมาแสวงหาเหมือนกันกับดอกไม้ มันบาดอยู่นี่ปลาในเขาโม่ต้องไปเรียกร่องแมงปูแมงเผึ่งมันมาตอบมันกระมาเพราะสารเรานั่นมันแสวงหาเจส้อนอยู่แล้วมันตอบมาหาทาหนี่ดอกไม้อยู่สถานที่ใดนี่ขี่อยู่สถานที่ใดโม่ต้องไปเรียกร่องเห็นแมงวันมันมาตอบมันก็ม้าอีกอะเป็นไรหาทัวทงมันกรบโบเห็นออกแมงวันขั้นไปขี่โอหันตะจังว่ามาใจใส่มีแง่มีแงมาโลดทำนองเดียวกัน เขาทำให้ตัวของเฮาเนาเหม็นความตํานี้นินท่าความเสื่อมลาบราช ก, กาละนันบาตองละเอียกลองมันเป็นขึ้นจากตัวของเฮาข้าขอเฮาถ้ามเฮาให้เนาให้เหม็นะเฮาทาตัวของเฮาให้ดีให้เด่นให้หอมแล้วก็วมาตอกละเอียกลองแมงคูแมงฝึก ม, มันมาต่อมมันกระแม่แต่นั่นตัวสําคัญจึงควรสงวนตัวข้องตัว ที่จะได้หน้าตัวของตัวให้ถั่วถึงตั้งหน้าตั้งตาละชั่วบำเพ็ญดีให้ทวีพุ่ น, นจนจิตใจบริสุทธิ์เกิดยิมุตในตัวขอ้งตัวมดทางทีจะละชั่วมดทางที่จะบำเพ็ญดีอยู่หรือตายป ก, กติ ม, มีความ กินเนียงแข้งใจอยู่ไปสิละสีบำเพ็ญโบมีตายไปโบมีอันใดที่จะพวงใจย่ายว่าอันนั้นยังบวนเลยทําอันนี้ยังบวชในรูนี่เื้อผู้บวประมาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติ <c oughs> สามอาธรรมของพุฏิเจ้าผู้ฏิอันนี้ความสุขความเจริญเนี่ยการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมคนจะเวลาพอยุติเพียงแค่นี้เองบั